รายการชีวิตวัฒนธรรมโดยอาจารย์พนทรธรรมเนียมอินสร้างสรรค์และผลิต ร, รายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสต ร, ร, ร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการชีวิตวัฒนธรรมและดิฉันพนธรร์นอร์เนียมอินอีกเช่นเคยนะคะเช้ามืดวันนี้ต4สี่ครึ่งถึงตีห้าค่ะดิฉันพนธรรมเนียมอินอยู่กับคุณนะคะทาง f อ8 9 5สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีคุณบิ๊กเป็นเพื่อนค่ะควบคุมเสียงและหาเพลงเพลอให้เราได้รับฟังกันนะคะเช้ามืดวันนี้ กรม อ, อุตุนิยมวิทยาบอกว่าเราเนี่ยเข้าเขตฤ ด, ดูหนาวเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดที่บ้านท่านเป็นยังไงกันบ้างคะโทรหาเพื่อนที่สุรินเขาบอกว่าตอนนี้ลมพัดเย็นสบายที่บ้านที่อันแถวแถวชานเมืองเขตคานายาวนะคะก็มีลมเฉื่อยฉิวมาตอนเช้ามืดแล้วก็ตอนเย็นเย็นหัวค่ำหัวค่ารู้สึกสดชื่นขึ้น ฝนก็คงจะไกลพวกเราไปแล้วนะคะแต่ทางใต้นี่อาจจะเป็นช่วงฝนจะตกมากขึ้นนะคะทางเหนือก็คงจะมีผู้คนเตรียมขึ้นไปเที่ยวกันแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอมีประกาศให้เป็นบรรยุพิเศษในกรุงเทพแล้วก็บริมนทนวันที่สี่ห้าพฤศจิกายนนี้เดนเชื่อว่าหลายท่านก็เตรียมวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวกันอีกแล้วนะคะ เรามีกิจกรรมสำคัญๆเกิดขึ้นในรอบปีนะคะทั้งวันหยุดทางพระพุทธศาสนาพิธีกรรมทางสถาบันนะคะแล้วก็วันสำคัญสำหรับขนบธรรมเนียมประเพณีอีกเยอะแยะเลยทุกๆวันหยุดนั้นล้วนมีความหมายนะคะมีความหมายที่จะให้พวกเราได้มีโอกาสไปประกอบกิจกรรมต่างๆ ครัวกับชุมชนหรือกับหน่วยงานที่เราสังกัดอยู่แต่ถ้าท่านไม่มีภารกิจใดๆก็ถือโอกาสที่จะไปหากำไรชีวิตกันไปท่องเที่ยวนะคะไปเรียนรู้ชีวิตวัฒนธรรมซึ่งที่บ้านเราไม่มีเทนเองก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่รอรอร อ, รอเวลาที่จะได้ไปเที่ยวเราชอบพูดกันสั้นๆว่าไปเที่ยว แต่าการไปเที่ยวเนี่ยสองข้างทางที่เราผ่านไปความสุขสบายใจเจริญหูเจริญตามันจะเกิดขึ้นกับเราโดยเฉพาะช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยต้นไม้ยังเขียวขจีอยู่นะคะแล้วก็ยังมีดินที่ชุ่มน้ำอยู่ยังไม่แห้งแล้งเหมือนกับฤดูร้อนถ้าไปช่วงฤดูร้อนนี่นอกจากอากาศจะร้อนจัดแล้ว ธรรมชาติสองข้างทางก็ดูจะเหี่ยวเฉาตามไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนจึงนิยมเดินทางเที่ยวกันในฤดูนี้แหละคะ่ะถ้าเป็นทางเหนือนี่ผู้คนก็จะคับขัางเพราะมีสถานที่ที่สวยงามมีธรรมชาติที่หา ได้เป็นพิเศษในช่วงฤดูหนาวประเภทน้ําค้างแข็งดอกไม้บางอย่างที่จะออกดอกสะพรังในช่วงยามฤดูหนาวนี้นะคะแล้วการเดินทางเองก็ค่อนข้างจะปลอดภัยมากกว่าฤดูฝนไปเที่ยวฤดูฝนนี่ต้องห่วงเรื่องถนนลื่นถ้าไปทางเหนือหรือที่ที่มีภูเขาสูงสูนี่ก็มีเรื่องของดินถลม่มดินสไลด์แล้วก็ต้นไม้หัก อะไรต่างๆมากมายแต่ไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนนะคะก็อยากจะฝากทุกท่านไม่ประมาทในการเดินทางค่ะเพราะเราอาจจะไม่ประมาทแต่คนอื่นเขาประมาทเราจะได้มีสติแล้วก็แก้สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทันนั่นเองนะคะนี่ก็คือบรรยากาศของชีวิตวัฒนธรรมช่วงนี้เราเหลือครึ่งชั่วโมงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะ ครึ่งชั่วโมงก็ยังคงมีเรื่องราวที่จะนำมาให้ทุกๆท่านได้รับฟังกันเต็มอิ่มในช่วงเช้ามืดของวันเสาร์อย่างนี้อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะและเดือนเชื่อว่าหลายๆท่านก็เตรียมที่จะไปประกอบภารกิจในเช้ามืดวันเสาร์เพราะหลายคนไม่ได้หยุดนะคะยังไปทำงานวันเสาร์กันอยู่มีคนบอกว่าวันเสาร์นี่แหละคุณพนรรถติดดีนักเพราะคนที่เขามีรถ จันถึงสุกมักจะให้รถพักผ่อนอยู่กับบ้านแต่พอวันเสาร์ปุ๊บนี่จะบอกว่าเอารถไปออกกำลังเมื่อไม่ได้พักได้พักมาหลายวันแล้วเนี่ยพอพาไปออกกำลังจะกลับมืดกลับค่ําก็สะดวกสบายรถก็เลยดูจะเยอะเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าไม่ว่าวันไหนเวลาไหนแหละค่ะในกรุงเทพมหาคนครก็พอๆกันยกเว้นช่วงนี้เด็กๆปิดเทอมนะคะพอจะลงลงบ้าง แต่คุณฟังค้าไม่ว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะเราก็มีกำลังใจและรอยยิ้มให้กันนะคะถ้าเราเคารพกฎจราจรเสียงบีบแตรไล่ปีนปานหรือการบริพาทกันแรงๆหรือการถึงกับทะเลาะวิวาทก็จะไม่เกิดขึ้นเหมือนข่าวๆที่เราได้ยินเพราะฉะนั้นมีน้ำใจกันสักนิดนะคะชีวิตก็จะดีๆค่ะ ช่วงแรกของรายการชีวิตวัฒนธรรมวันนี้นะคะก็ทักถ่ายกันเรียบร้อยแล้วมีเรื่องดีๆมาฝากคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวมาพบกับเรื่องราวที่เป็นตำนานที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะรายการชีวิตวัฒนธรรมสนับสนุนรายการโดย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 เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แล้วก็วิถีชีวิตที่น่าสนใจเยอะทีเดียวนะคะที่สําคัญลบบุรีมีลิงค่ะหลายคนชอบพาลูกหลานไปดูลิงนะคะวันนี้ดิฉันอยากเล่าเรื่องราวของตำนานนิทานเมืองลบบุรีให้ท่านได้รับฟังกันเพราะลบบุรีก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะคะที่มีชื่อบ้าน นามเมืองหรือภูมินามเกี่ยวข้องผูกพันกับวรรณคดีแล้วก็นิทานตำนานพื้นบ้านของไทยค่ะเขาก็มีอะไรที่น่าสนใจเยอะมากมานะคะน่าคิดว่าชื่อสถานที่ที่เกิดขึ้นก่อนนิทานหรือนิทานเกิดขึ้นก่อนชื่อสถานที่เรื่องราวนิทานเหล่านี้เด็กไทยในปัจจุบันหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเพราะว่า การดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมไทยตอนนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากเรามีเวลาอยู่ร่วมกันน้อยลงโอกาสที่เด็กๆจะได้ฟังนิทานของผู้ใหญ่ในครอบครัวกลายเป็นเรื่องยากไกลตัวเพราะว่าเวลาว่างไม่ตรงกันนั่นเองเด็กว่างผู้ใหญ่ไม่ว่างผู้ใหญ่ว่างเด็กก็ไม่ว่างและเด็กปัจจุบันก็ต้องเรียนโน่นนี่นั่นเยอะมากแล้วการจราจรก็ดึงเวลาจากครอบครัวไปเยอะมาก ก็เลยทําให้แต่ละวัยมีช่องว่างถอยห่างกันออกไปทุกทีทุกที น, นิธรรมซ้ํานิทานตำนานท้องถิ่นที่เป็นภูมิปัญญาเป็นมรดกก็เริ่มที่จะมีผู้คนพูดถึงน้อยลงจึงเลือนรางจางหายไปจากความทรงจําของคนไทยรุ่นหลังอีกด้วยนะคะดังนั้นเมื่อใครถามว่าเออชื่อนี้มาจากยังไงเออรู้ไหมว่าชื่อนี้ใครตั้ง ตอบกันไม่ค่อยจะได้แล้วครั้นจะค้นหาบางทีก็ยากแก่การค้นเหมือนกันนะคะวันนี้ดิฉันก็เลยจะขอเล่าเรื่องของภูมินามเมืองลบบุรีที่มีเรื่องราวเป็นนิทานตำนานหรือเกี่ยวพันกับวรรณคดีกกไทยหลายเรื่องจริงๆเลยค่ะเช่นห้วยมูลเขาพับผ้าเขาตะเพาล่มห้วยซัเป็กคลองบางขันมากเขาขนมบูตร เขาจีนโจนเขาตะกร้าเป็นต้นนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวบอกเล่าอธิบายว่าทำไมเมืองลบบุรีจึงมีดินสอพองทำไมแต่ก่อนจึงมีความเชื่อว่าห้ามนำน้ำส้มสายชูไปลบบุรีล้วนแล้วแต่เป็นตำนานเรื่องเาวาที่มีความสนุกสนานไม่น้อยคุณฟังพร้อมที่จะฟังกันหรื อ, อยังคะถ้าพร้อมแล้วเดือนจะเล่าเรื่องแรกก่อนนะคะ เป็นโศกนาฏการรมรักสามเศร้าแห่ขึ้นต้นเช้ามืดไม่น่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นค่ะมันเป็นเรื่องราวของวิถีชีวิตของผู้คนฟังแล้วก็เป็นคติสอนใจได้ไงคะเขาบอกกันว่ามีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งสามีภรรยาคู่หนึ่งมีลูกสาวชื่อนางนงประจัน มีความสวยงามจนเป็นที่เรื่องลือเลยแล้ะค่ะแล้วก็เป็นที่หมายปองของชายหนุ่มทั้งหนุ่มและไม่หนุ่มนะคะก็จะมีคนที่จะมาติดพัน แม่สาวนางนงประจันนี้นะคะแต่ตายายก็ยังไม่ตกลงปรงใจที่จะยกนางให้ใครนะคะฝ่ายสาวเจ้านงประจันนั้นหล่อนเองก็มีคนรักอยู่แล้วเป็นหนุ่มในหมู่บ้านเดียวกันฐานะไม่ ร, ร่ารวยแต่เป็นคนดีมีวิชาเมืองลบบุรียุคนั้นค่ะเป็นเมืองท่ามีเรสินค้าขึ้นล่องค้าขายอยู่เป็นประจำนะคะก็ได้มีเจ้าก่งจีน เป็นพ่อค้าวานิชผู้มั่งคั่งล่องเรือสินค้าผ่านมาแล้วก็ได้ยินกิจศัพท์ความงามของนางนงประจันเกิดความปรารถนาจะได้ครอบครองนางจึงได้ตกแต่งเท่าแก่มาสู่ขอกับพ่อแม่ตามธรรมเนียมฝ่ายตาพ่อใหญ่แม่พอมีคนมีฐานะมาสุขขอลูกสาวก็ยินดีเต็มใจยกให้โดยไม่ถามความเห็นของลูกสาวซากกระคาเดียวเพราะคํานวณดูแล้วว่า อนาคตลูกสาวจะมั่งมีสิสุขไม่ลำบากแน่ๆครั้นว่าที่พ่อตาแม่ยายโตกลงยกลูกสาวให้แล้วก็กำหนดวันสู่ขอแต่งงานกันเรียบร้อยว่าอีกปีหนึ่งข้างหน้าเจ้ากงจีนล่องเรือกลับมาก็ให้ยกขันหมากมาสู่ขอแล้วก็รับนางนงประจันไปเป็นภรรยาได้เลยเจ้ากงจีนนั้นแซนจะดีใจฝ่ายนางนงประจันแม้จะเศร้าใจทุกใจ แต่ที่สุดก็ขัดพ่อขัดแม่ไม่ได้ค่ะวันเวลาผ่านไปครบหนึ่งปีเจ้ากงจีนก็นําขบวนเรือขันหมากอันยิ่งใหญ่มาสู่หน้าน้ําลบบุรีจนลือกันไปต้นน้ําท้ายน้ําพ่อแม่นี่ดีใจจนเนื้อเต้นส่วนสาวเจ้ายากเย็นเป็นทุกข์วันที่กงจีนรื่นเริงใจจะได้เมียกลับไปก็เป็นวันที่เจ้าหนุ่มผู้หมายปองจะเสียของรัก ในสภาวะบีบคั้นเช่นนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะชายหนุ่มซึ่งเป็นคนมีวิชาอาคมจึงตัดสินใจที่จะล่มงานแต่งงานช่วงชิงสาวผู้เป็นที่รักกลับคืนมาเขาได้แปลงกายเป็นจระเข้ตัวมหืึมาโจรลงว่ายน้ำตรงไปกบดานคอยขบวนเรือขันหมากเจ้ากุ้งจีนนะคะ ก่อนเรือจะเข้าสู่เมืองลบบุรีก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นคือบรรดาลูกเรือเกิดท้องเสียขึ้นมาพร้อมๆกันแล้วก็พากันมานั่งทายปลดทุกขกันที่กราบเรือเป็นแถวเลยแหละค่ะทาให้บริเวณนั้นมีเรียกชื่อขานกันต่อมาว่าห้วยมูลมอมาสาลอูลลิงครันปลดทุกกันเรียบร้อยแล้วขบวนเรือก็ล่องต่อมาจนเข้าคลอง ที่มีชื่อคลองว่าคลองบางขันหมากเตรียมเดินทางต่อไปสู่บ้านเจ้าสาวแต่เจ้าหนุ่มจระเขแปลงซึ่งกบดานคอยทีอยู่ก็ตรงเข้าโจมตีฟาดหัวฟาดหางหมายจะล่มเรือให้ได้ขณะนั้นก็เกิดอาเพศฟ้าดินแปรปลวนลมพายุใหญ่พัดจนขบวนเรือออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองล บ, บุรี แต่เจ้าจอร์เกก็ยังคงตามไปไม่ลดละนะคะจนถึงบริเวณห้วยซับเหล็กก็ได้โถมเข้าทำลายเรือสำเภาจมลงจนหมดสิน้นทุกลำด้วยอำนาจโทวสะบวกกับอาคมพวกจีนทั้งลูกเรือญาติมิตรพากันโดดหนีจากเรือว่ายน้ำไปยืนดูเหตุการณ์อย่างขวัญ น, นี้ดีฟออยู่บนฝั่งนะคะ ข้าวของสินสอดทองมั่นผ้าผ่อนแพรพันบ้างก็จมบ้างก็ถูกน้ําซัดเสียหายไปสิน้นตรงที่เรือสำเภาล่มนั้นเกิดเป็นภูเขารูปร่างเหมือนสำเภาต่อมาจึงมีชื่อว่าเขาตะเภาล่มตะเภาก็สำเภานั่นแหละนะคะบริเวณที่พวกจีนหนีลงน้ําต่อมามีชื่อว่าเขาจีนโจนเขาจีนโจรซึ่ง ไม่ใกลไม่ไกลกันนักมีบริเวณที่พวกจีนลูกเรือหนีขึ้นไปยืนดูเหตุการณ์จึงเรียกว่าเขาจีนแลเขาจีนแลนะคะบริเวณที่ขนมขันหมากถูกน้ำซัดไปเกยฝั่งเน่าเสียเลยได้ชื่อว่าเขาขนมบูดเขาขนมบูดส่วนผ้าไหมผ้าแพรเป็นพับๆก็ถูกน้ำซัดไปเกิดเป็นภูเขาชื่อ เขาพับผ้าเขาพับผ้านะคะตะกร้าที่บรรจุข้าวของก็ลอยไปเกยฝั่งเกิดเป็นเขาตะกร้าเขาตะกร้าและเพชรนินจินดาที่เตรียมมาสู่ขอลูกสาวก็ถูกน้ำซัดไปกองรวมกันเกิดเป็นภูเขาชื่อเขาแก้วเขาแก้วนะคะแหมมีชื่อเยอะแยะมากมายเลยทีนี้ชะตากรรมของ เจ้ากงจีนเป็นยังไงกันบ้างคู่รักหนุ่มสาวของนางนงประจันก็คือชายหนุ่มคนรักที่แปลงกายเป็นจอร์เข้ก็มิได้สมหวังในรักเพราะเกิดเหตุไม่คาดฝันค่ะคือนางนงประจันเห็นจอร์เข้ทำลายขบวนขันหมากล้มไม่เป็นท่าเช่นนั้นก็ดีใจกระโดดโลดเต้นอยู่ริมฝั่งแล้วเลยพลัดตกลงไปในน้าตายกลายเป็นภูเขาชื่อเขานงประจัน หรือเขาวงพระจันทร์นะคะจระเข่หนุ่มแปลงเห็นคนรักจบชีวิตเช่นนั้นเสียใจจนตายตามไปเกิดเป็นภูเขาตะเค้หรือภูเขาจอระเข้เรื่องราวรักสามเศร้าของนางนงประจัน์กับหนุ่มคนรักและเจ้ากงจีนอันเป็นตำนานภูมิสถานของจังหวัดลบบุรีนี้ถ้าจะบอกว่า ใครเกิดก่อนใครอะไรเกิดก่อนอะไรก็คงจะบอกยากนะคะแต่ก็น่าชื่นชมภูมิปัญญาในการผูกร้อยเรื่องราวเช่นนี้ให้พวกเราได้มีเรื่องเล่าขานกันต่อมาค่ะทีนี้เมื่อกี้ดิฉันพูดถึงดินสอพองกับน้ำส้มสายชูนะคะก็ขอย้อนกลับไปที่เกินเอาไว้ค่ะว่า ความเชื่อที่เป็นเหตุผลที่ออกจะสมเหตุสมผลที่กล่าวว่าทำไมเมืองลบบุรีจึงมีดินสอพองทำไมจึงห้ามนำน้าส้มสายชูไปเมืองลบบุรีและทำไมแต่ก่อนจึงเกิดไฟไหม้ที่เมืองลบบุรีเขาก็เล่าว่าเรื่องแ่านี้มีที่มาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ค่ะซึ่งเรารู้จักรามเกียรติ์กันเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เรื่องนี้ เกิดขึ้นที่ท้องที่ของตนคือคนที่ฟังก็รู้สึกร่วมนะคะว่าอุ๊ยเนี่ยเป็นเรื่องของท้องที่ฉันแหละเหตุที่ที่ดินเมืองลบบุรีเป็นสีขาวหรือดินสอพองนั้นคนแต่ก่อนเชื่อกันว่าเมืองลบบุรีคือเมืองนบบุรีเปลี่ยนลอลิงเป็นนอนหนูนะคะที่พระรามทรงสร้างให้แก่หนุมาน แทนการที่จะทรงแบ่งกรุงอายุทยาครึ่งหนึ่งให้หนุมานครองแล้วหานุมานครองไม่ได้เพราะสักไม่เสมอกันนะคะดังนั้นก็เลยพระรามทรงแผงสอนพรมมารมรดกเป็นจุดตั้งเมืองนบบุรีติดของสอนพรมมารนั้นทำให้พื้นแผ่นดินอนาบริเวณโดยรอบสุกระอุ ก, กลายเป็นสีขาว จุดที่สอนของพระรามตกนั้นก็ได้มีการสร้างสารชื่อว่าสารลูกสอนเชื่อกันว่าจะต้องคอยระวังให้มีน้ำหล่อเลี้ยงสอนพระรามไว้ไม่ให้เหือดแห้งมิฉนั้นจะเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ซึ่งเป็นตำนานความเชื่อเกี่ยวกับไฟไหม้เมืองลบบุรีเป็นเรื่องแรกส่วนความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องที่สองคือห้ามนำน้าส้มสายชูไปเมืองล บ, บุรีนั้น มีเรื่องเกี่ยวพันกับเท้าอุนาราศหรือเท้ากกกนาจากเรื่องรามเกียรติแล้วก็เป็นอีกตำนานหนึ่งของเขาวงพระจันทร์ว่าจากรามเกียรตินั้นเดิมเท้าอุนาราศเป็นเทวดาที่ต้องโทษเพราะเกียรติ้านไม่ยอมขึ้นเฝ้าถูกพระอิศวรสาบให้กลายเป็นรากสดครองกรุงมหาสิงขอนและอย่าให้อาวุธอะไรทาอันตรายได้ แต่เมื่อใดพระนารายณ์อวตารมาเป็นพระรามให้พระรามนําต้นกกมาทำเป็นสอนแผลงปักอกตรึงแน่นกับแผ่นผานับแสนกฏปีเมื่อพระรามพระลักษ์เดินดงครั้งที่สองผ่านเข้าไปในสวนเท้าอุณาราชได้เกิดสู้รบกับทหารยักษ์ของเท้าอุณาราสู้ไม่ได้ก็ไปทุนเท้าอุณาราชเท้าอุณาราชจึงออกมาสู้รบกับพระราม พระรามทำอย่างไรก็ไม่สามารถฆ่ามันได้พระฤาษีโคศพได้มาบอกเล่าเรื่องราวและชี้ต้นกกให้พระรามนำต้นกกที่ชื่อกกขนาดเป็นกกชนิดหนึ่งมาผูกสอนแผงปักอกเท้าอุณาราชลอยปลิวข้ามฟ้ามาตกและตรึงติดแผ่นดินอยู่ที่นี่แล้วสงสาบซ้ำไว้ว่า ให้เกิดมีไก่แก้วกับนนซีถือค้อนเฝ้ากากับอยู่เมื่อใดที่สอนเคลื่อนคลายออกไก่แก้วก็จะขันเป็นสัญญาณและนนซีก็จะเอาค้อนตอกกระหน่ำให้แน่นดังเดิมนะคะนี่ก็คือเรื่องราวที่เล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะในช่วงของชีวิตวัฒนธรรมเช้ามืดวันนี้ค่ะเรื่องราวที่เล่านี้นะคะ หลายคนก็อาจจะไม่แน่ใจว่าเอ๊ะจริงหรือไม่จริงนะคะตำนานก็คือเรื่องเล่านั่นเองค่ะทีนี้สอนกกของพระรามเนี่ยนอกจากจะคลายออกทุกสามปีแล้วยังสามารถเลื่อนหลุดออกได้ถ้าหากราดด้วยน้ำส้มสายชูแล้วก็เรื่องที่ไม่ให้นำน้ำส้มสายชูเข้าไปเมืองรบบุรีนั้นนะคะก็บอกว่านางนงประจันนะคะเป็น ที่ดาของเท้ากกกระหนาดอันนี้เป็นอีกตำนานหนึ่งนะคะบอกว่านางนงประจันเนี่ยเป็นที่ดาของเท้ากกกระหนาดในนิทานที่เล่าเมื่อสักครู่คือสอนกก ของพระรามเนี่ยนอกจากจะคลายออกทุกสามปีแล้วยังสามารถเลื่อนหลุดออกได้หากราดด้วยน้ำส้มสายชูนางนงประจันทิดากตันยูที่นอกจากจะคอยอยู่ดูแลพ่อแล้วเธอจึงมีหน้าที่ที่จะพยายามกระทำเพราะว่าอยากจะช่วยพ่อคือนางจะปลอมกายเป็นหญิงชาวบ้านออกไปขอน้ำส้มสายชูจากชาวบ้านเพื่อนำมารถสอนแต่ชาวบ้านไม่ยอมให้เพราะกลัวว่า เดี๋ยวเท้ากกอกหนาจะฟื้นนั่นเองดังนั้นก็ทำให้นางนงประจันทุกโศกเสียใจจนในที่สุดดวงใจของนางก็แตกสลายไปเกิดเป็นภูเขาชื่อนางนงประจันหรือเขาวงพระจันทร์ซึ่งก็เป็นอีกตำนานหนึ่งที่เป็นที่มาของเขาวงพระจันทร์จังหวัดลบบุรีนั่นเองแล้วก็เป็นเรื่องที่บอกว่าไม่ให้นา นำส้มสายชูเข้าไปในเมืองลบบุรีนะคะแล้วที่จังหวัดลบบุรียังมีสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งคือทะเลชุบศรที่เชื่อกันว่าเป็นที่ที่พระรามทรงทาพิธีชุบศรของพระองค์ออกก่อนจะออกศึกค่ะนี่คือเรื่องราวของตำนานภูมินามสำคัญสาคัญของเมืองลบบุรีนะคะ ชามืดวันนี้เดือนก็นำเรื่องราวของจังหวัด น, นี้มาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันคนที่เป็นชาวเมืองลบบุรีฟังแล้วอาจจะอืม้มฉันก็รู้นะคะถ้ารู้แล้วฝากเล่าให้ลูกหลานฟังกันต่อหรือถ้ามีโอกาสก็เล่าให้เพื่อนๆที่อยู่ที่อื่นได้ทราบถึงภูมิน้ำของเมืองลบบุรีกันด้วยนะคะดืนเองก็ไปเห็นแหล่งดินขาวที่เขาใช้ดินทาดินสอพองได้เห็นสถานที่สาคัญสาคัญ ตามที่ได้เล่าให้คุณผู้ฟังรับฟังมาวันหยุดถ้าคุณผู้ฟังมีโอกาสก็อย่าลืมไปเที่ยวเมืองลบบุรีนะคะเห็นเขาบอกว่าดอกทานตะวันก็บานที่จังหวัดลบบุรีอีกเช่นเดียวกันนะคะมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์มีปราสาทมีโบราณสถานที่สําคัญแล้วก็มีสถานที่ทางเรื่องราวเกี่ยวกับ นิทานนิยายเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายนะคะถือโอกาสไปเที่ยวเมืองลบบุรีไปหาอาหารอร่อยอร่อยพื้นบ้านที่นั่นรับประทานกันแล้วไม่ลืมนะคะที่นั่นมีผ้าไหมมัดหมี่ผ้าใยมัดหมี่สวยมากนะคะนามาฝากผู้ที่ชื่นชอบผ้าไทยเราจะได้ใช้ผ้าไทยเพื่อ สืบทอดวัฒนธรรมในการแต่งกายร่วมกันไปด้วยเช้ามืดมาแล้วค่ะจจดีห้าแล้ววันนี้ชีวิตวัฒนธรรมดิฉันพนอ์ธรรมเนียมอินผู้ดำเนินรายการคุณบิ๊กผู้ควบคุมเสียงและหาเพลงคพราบๆมาให้เราได้รับฟังกันดอกเตอร์กุลกนิษฐ์ทองเงาผู้ควบคุมรายการเราสามคนคงต้องขอลาทุกท่านไปเพียงนี้นะคะพบกันใหม่ช้ามืดวันเสาร์หน้ามีความสุขกันทุกๆครอบครัวนะคะ